อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ356 1. ิกภิกษุเป็นไข่ 2. ภิกษุพิงไฟที่ผู้อื่นก่อไว้3าภิกษุพิงไฟฐานที่ไม่มีเปเลว 4. ภิกษุตามประทีบก่อไฟหรือติดไฟในเรือนไฟเพราะมีเหตุผลเช่นนั้น 5. ภิกษุผู้ก่อไฟในคราวมีเหตุขัดข้อง6ภิกษุวิกลจริต7ภิกษุต้นบัญญัต โชติกาสิกขาบทที่6จบ